แตนทองเหมือนกับหลวงพ่เตียนเอาลูกไปให้ดูเราไปสอนว่าลราเอาลูกไปให้ดูผมเาได้ก็เละอรเป็นลูกเหรอูกเป็นไหยเดินไเป็นมันปวดเป็นไหมปวดไหมเป็นมันสุกไปน้สุกไปเป็นมันทุกข์ไป้วยทุกข์มันเป็นเหตที่มันสุกมันทุกข์มันอย่างไท่านอยากให้ลูกจากลูกนางผมก็จะให้คิดผมไม่เอา ก็โล่โอ้ก็โล่อหลวงพ่ออยากให้โล่นี่อ ย, อยากให้คิดเอาโอ้ตัวเพพเท็จตัทีเ่ เ, เดินไปเดินมาไม่นนมันจะคิดเา่าใชะมันก็ง่ายแล้วยปะนะเราก็ไม่มักนายย่ายังไถ้าจะไปจำเราถ้าไปคิดหางมันก็ได้เอเอเข้าใจความเข้าใจอังไงทำให้ประสบพวกเท็จทำให้เป็นยังไงเอาละ่ะ ห้อยก่นมาทำอันเป็นเรื่องมาทำมาดู <c oughs> ก็รู้ได <c oughs> เข้าใจได้ผมไปสอนผมก็ไม่ต้องทำนะผมก็บอกยักนูอยู่เนี่ยเคลื่อนไหวอย่าง น, นมีโลกไม่นานเห็นไหมอะไรการเคลื่อนไหวอะไรเนี่เคลื่อนไหวอยู่นี่น้นี่นนดูดูตัวก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 สัมก็เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การกระทำเราเป็นเรื่องหนึง่งบางอย่างข้ามสอนเลยปดไม่ได้ไม่มีสัมพูดไม่มีภาษาสัมพูดเป็นส ม, มุดเห็นว่าทุกปวดองทุกนส ม, มัยไทยจะมีโหลดลงมัดไม่ใช่สัมผูทุกคนต้องสัมผัส ทุกมันเปนอย่างไรไในการสัมผัสเป็นการสัมผัสทางกายทางใจโลดมากนั่นเป็นการสัมผัสพูดไม่ถูกไม่ได้กุศลหอกุศลขอพูดไม่ถูกต้องสัมผัสเอากุศลกับการฉลาดฉลาดไหมวันหนึ่งวันหนึ่ง เราโง่เราสลาดัดสลดัดออกจากทุกข์สลาดเปลี่ยนแปลงความผิดให้เป็นความทุกอะกุศลอะกุศลคือโงอ่ไม่รู้ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์มันเลยว่าอะกุศลคือไม่รู้อะไรมาก็รับก็หมด ทุกข์เอาทุกข์เอาเราพอหมดเฉนแล้วนี่ต้องมีสติทางนี้สติดูดีๆหน้าที่เราก็คือการสร้างกติกาไปหาถ้าไม่มีสติมันจะไม่เห็นหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นเราคนตาบอดไปหาสิ่งของหาเท่าไหร่มันก็ไม่เห็น มองเมตตาต้องเมตตาในดวงตาต า, ตาตาในคือสติคือสมชัญยะเป็นดวงตาอ ง, องยในเมตตาเป็นดูดูกายมีสติดูเป็นหน้าลอกเป็นดวงตาลอพันตาพันดวงมาทางไหนก็รู้โดยเฉพาะความคิดเนี่ย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 โลกตับก็เป็นตับโลกอะไรก็เป็นอะไรเลยถ้ารูจักยุเอะนก็เห็นหมอที่เขาเรียนรู้มันทั้งทีไม่มีตัวนม่ต้นไม่มีอะไรมากัดมาขบเข้าไปเลยโดยเฉพาะความคิดนะโดยดีๆมันสนุกเห็นถ้าเราไม่เห็นกับเป็นอะไรกันมันจับเราเรามันหิ้วเราไป จนไปเกิดเป็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นรับเป็นชังเป็นขีเลตนะราคะเอาไปหมดเลยคืได้หมดเลยยึดหมดเลยจับกายมาใช่จับใจมาใช่จับตาจับหูาบมาใช่ไม่จะนอนเดี๋ยวก็ต้องบังคับให้ลุกนอนก็ไม่หลับ้ามันคิด คนไม่เห็นอยู่กับความคิดจะไม่เห็นความคิดคนไม่ได้ดูไปลงไปวางจิตตวเอเมื่อวานว่ามันมีเท่านั้นแ่ะในโลกตัวเ อ, ง, ว ง, อเวงไม่เห็นเป็นอะไรกันเลยคนป่วยของเราดำกว่าเขาไปไปถึง่งไปวางพอเราโลกระวม่ลนไปกระโดดอยู่ลานหญ้า ก็าปล่อยมันทำไปอนท้งคนบริบานที่ไหนนั่งจะลูบคนคนเดียวพ่อแม่ก็ไม่ไม่ได้เรื่องไม่ดูอะไรทั้งมไม่เป็นพ่อแม่กันมะัพ่อกันมั่งขดอยู่หลบอยู่เออสุดาก็คือคนขับรถตามมาหางหอ๊อ ออกม า, าออกนี้ไป ต, ตามตามกันอยู่ตอนทึนงมอจะขีดจาโดดนี้ทังดีเลยเพราะหมอแทงเข็มเงยโดดวิ่งหนใจตามก็ไม่ได้วันที่หน้ที่หลังรองเยก็ออกเป็นรถอากับว่าน่า จ, จะไปให้หมอ ยังมีวายยัง ไ, ไงจะให้หมอขีดไปพัสดาหมอเพราะที่มีวิธีเดียวก็ต้องเอาตำรวจมาเอาตำรวจมาจับมันแล้วก็บังคับมันขีดยาให้มันเพราะกลัวว่ามันจะเป็นเรื่องแต่จริงว่าจะค่อยๆโลค ก, ก็เลยเอายามาใส่หลอกให้ไปขีดที่าสาราศกทามาใสวานถ้ามันไม่ได้จริงๆใจกะให้บังคับออก มันหลายอย่างก็เกิดจากนี่เท่งนั้นละ่ะผมตัวไม่ได้โตตัวไม่เป็นไม่ได้เห็นหบางคนที่ไปเขาวางไม่ได้โลกก็จับแขนอยู่บางทีก็มีปัญญาจะจับแขนวางไม่ได้จะวางก็ไปบางคนก็ใส่ข้มอมือไว้หนุนได้ อาละวาดอยา่างอาจะมาเจริญสติดูมันเลยดีให้ดูตัวเองมันจะมาให้เห็นโดยเฉพาะความคิดเนี่ยเห็นความคิดเนี่ยโอ้ยราจะว่ามันมในชา้าที่ทำให้เหญ่ของชีวิต <c oughs> เห็นความคิดเนี่ยเป็นชัยชนะที่ภาคเป็นสิ่งที่ภาคคงใจเป็นความสําเร็จสันถติที่น่าภาคคงใจที่สุดเราสร้างบ้านได้เราไม่ีเงินไมีทองเราทําอะไรที่สําเร็จที่ยิ่งใหญ่เท่ากับเห็นความคิดตัวเองมันประกาศเป็นอิสระมันในใชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มันเห็นสิ่งที่ มันดื่งใหญ่นก็ว่ามันการเป็นอิสระภาพมันหลุดออกมาได้มันดูดีๆนอนดูนั่งดูแต่ว่าดูกายเราเนี่ยแหละพยายามที่จะดูกายเ น, นี่ยไปอย่มนี้ยงนี้ติดอยู่มันจึงจะไปเห็นความคิดพอเห็นความคิดนะ อย่างก็เป็นอิสระเป็นอิสระภาพแต่ก่อนเราไม่รู้มันก็เป็นตัวเป็นตนเป็นภพเป็นชาติแต่กับความคิดทั้งนีง้คิดกันมาแล้วโกรธคิดกันมาแล้วโลภคิดกันมาแล้วโลงคิดกันมาแล้วหลักคิดกันมาแล้วชังคิดกันมาแล้วเกิดกิเลสตัณหาล า, า่ะ <c oughs> และนอนก็ไม่ได้นอน พอ เ, เห็นแล้วเออจิสละเต็มทีเบาวิ้วเหมือนเดินไปมันได้เหยียบพื้นดินเลยปรากฏการมันก็นลอยตัวเป็นกาลังหัวตาจิตตาลังหัตาตอนนี้เห็นเราเองไม่ใช่คิดถ้าคิดถ้าไม่มีถางต้องมีสติต้องมีสติจะไปคิดถ้าต้องให้ดี คิดกับตัวคิดหาในกับการดูต่างกันอยากพิงไปสนใจความคิดหามันจะเป็นยังไงนั่โพูดนะฟังก็ไม่พูดนะฟังก็ไปคิดหาเอาคิดเราก็เกิดการรงแต่งเป็นกินตะยานไปเลยนักก็รมฐานกลายเป็นนักกินตะยานเดก็มีมาก ใส่การกระทำไปมนสติมีสติข้างสติไปหาวิธีเสียอลู่ตัวสิ่งที่คนลู่ให้มันเป็นระเบียบจะลู่เรื่องกายเคลื่อนไหวไปมาก็พยายามที่จะลู่เรื่องกายเดินมนดักหน้ามาตัดหน้าแล้วก็ไม่เอาและเราจะต้องมาลู่เรื่องกายบางทีมันมีรส <c oughs> ชาติที่นอกเจากการดูกายไป มันจะให้ไปก็อยาไปอยาไปไปเพียนพยายามที่จะลูกเรื่องกายเลยก่อนชั่วโมงนี้นาทีนี้เอาเรื่องกายเลยก่อนลุกให้มันเป็นระเบียบให้มันเฉพาะเรื่องให้มันชัดเจนเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่จะคิดไปคิดฟกหน่อยคิดเดาไปกลับมาได้อย่าไปคิดเตลิดเปิดโปงไปเมื่อที่มันมาให้คิดมาให้ดูมาหเห็นก็ทําให้มันแจ้งัซะเข้าใจมัน บางทีมันก็ชวนให้คิดจำเป็นที่จะต้องคิดจําเป็นที่ต้องอศึกษาแล้มันก็ดูมันไม่ใช่หลับหูห ล, ลับตาไม่รู้ไม่คิดวางโอกาสวางอย่างบางอย่างก็ปฏิเสธไปเลยนี่ให้เราทําอย่างนั้นมันจึงจะเจริญเติบโ ต, ตเจริญเติบโตมันต้องโตเองเจริญเราเองไม่ใช่คนเื่นไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ ไม่รู้ไม่ที่ไม่ดูดังนั้นเราจะต้องรู้จักก็รู้จักมันบันที่มันพาเราให้รู้วางอย่างเห็นเรทนาความคิดทำมาล้มที่มันเกิดขึ้นมันพาเราให้เราดูแเราจะค้ยใจมันเห็นมันในบางโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะไปคิดถ้าไงคิดถ้ามันเกิดขึ้นมา มันเกิดการพบเห็นขึ้นมาผู้ที่เจริญกติปัฐานอะไรคิดหาโดยดีๆฟังดีๆเห็นกายในกายเห็นเวทนาเห็นผิดเห็นธรรมมันเกิดการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเห็นเข้าไปแต่ขาดสุจะเห็นก็เห็นเห็นเหล่าก็ต้องให้แจ้งเข้าใจแล้วก็กลับมาที่เราจะต้อง อสร้างสิ่งที่เราต้องสร้างคือนี่สติโลกกาเป็นหลักเป็นหลักทุศิปโลกกายเลยทำให้มากไปเริ่มให้มากเอาไว้การลุกไปก็กลับมาให้ได้การกลับมาเลยบ่อยเป็นศิลปะแต่ว่าการไปเขาเป็นความเสื่อมเป็นหายยะนะแต่การกลับมาเป็นวัฒนะเรียกว่าปักติปักิมัดเนี่ย ปฏิบัติยยก็คือการกลับมาการแก้การเปลี่ยนการเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเปลี่ยนหลงให้ก็นไม่ยลงปฏิปฏิบัติวัฒนะวัฒนะ ท, TER, ทําให้มากเจ ร, ริญให้มากภาวิตาภาุลิกตาสังวัตตันตุทําให้มากเจริญให้มากมีสติให้มากทําเอาทําเอาทําเอาน่าก็ยังมีโอกาสจเจริญเจริญในทาง จเจริญนในทางปัญญาเจริญในทางคุณธรรมคุณภาพ <c oughs> เอาจเจริญอะไรไว้ก็ได้ทั้นัก็ร่างกายของเราที่เราจเจริญมาถึงปันนี้ตอนเ้าก็เป็นเด็กไม่บอกเมีโอกาสได้กินนมการเจริญ ต, ตั้งโตเจริญเราเองนะไม่ใช่มีใครทำให้ให้ป้อนข้าวเราก็กินข้าว เราก็คืนเองเราก็โตเองมีใครที่จะโตให้เราได้ไม่มีทางแต่ากับการคืนมีนใครที่จะคืนให้เราได้จะเป็นเด็กหัดเที่ยวหัดคืนหัดโตก็โตข้นหนอยการเจริญเติบโตของลูกของกายรอเป็นวันเป็นเดือนเป็นปี วันหนึ่งกินสามมือ้อสี่มือม้อหมืเพราะว่าการเจริญเติบโตในทางจิดกิย่างในทางปัญญาตดยไว้ก็ได้เจ็ดหนึ่งวันถึงเจ็ดวันก็ได้อย่างไวอย่างช้าหนึ่งเดือนถึงเจ็ดเดือนแล้วยังกลางหนึ่งเดือนถึงเ็ดเดือนอย่างช้าที่สุดหนึง่งปีถึงเจ็ดปีึ่งางกระทางโลกตายเป็นสิ่งที่เราจะต้องทาได้จริงๆอย่างนี้ ไม่ใช่ทำไม่ได้เห็นสิ่งที่เราจะต้องทําได้ก็ให้มีกาลังใจเอาไว้มันก็พิ่มแล้วสร้างเอาสร้างเอาสร้างเอาพอเกิดขึ้นมาก็เห็นเห็ น, หนแล้ว ก, ก็กลับมาสร้างสติกาหนดรูปเอ้ารูปเอาในความรู้มันเจริญในความรู้มันใหญ่โตจนเป็นมหาลู่ในหน้าที่ของเราเราทำพระประภิษเห็นแล้ คิดเส็นผิดคิดเส้นถูกถูกคนถูกเป็นคนผิดนะเราจะพัะควาคิดดูดีๆดูดีๆเวลานอนมันจะหาอะไรมาคิดได้โอกาสถ้าไม่ได้โอกาสมันก็เย่ยนเราบางทีบางทีมันก็มีอ่อเหตุปัจจัย กายมันห้ม่จะหมกไปเรื่อยไม่กายไม่หลกไม่ลดไม่กิ่งมีเสียงมันก็กวัตถุกรรมวุขนวัตถุอะไรต่างๆที่มันเกิดวัตถุอาการที่มันจะทําให้เราหลงกันไหมันเพีมันทําให้เราโลุก็ได้ถ้ามีสติจะทําให้เราลกุาลก ถ, ถ, ลถ้าเราขาดสติจะทําให้เราลงเสียงเหลนี้ อ่าศึกษาไปศึกษาไปมันก็ยอ่อเข้ามายอ่อเข้ามาเ็นเหลือคำอเดียวเ้าเรา ม, มีสติถ้ามีไม่มีสติก็โอ้ยเป็นกับเป็นกันลึกมากผมไม่เต็มอย่างตานี่ยก็เรียกว่าสมมุติตาหัวจมูกลินกายใจเป็นโลกเป็นสมมุติที่ไม่รู้จะกินไรู้จะพอไม่รู้จะเต็ม จำรดาที่ๆๆบุญลงบุญลงบกเป็นกลับเป็นกันกลับนนนนหนึ่งกันหนึ่งเท่าไรเป็นสะวกว้าง1อยโยดลึกลอยโยดละยาวลอยโยดสิปีจะมีเทวดาอเอาเมล็กนามาถมลงโยนลงเม็ดหนึ่งจนสระ1อยโยดหน่ะกว้าง1 0ยโยดลึกล0ยโยดเต็มหน้าเนย ลึกนะกัเปรียบเทียบเหมือนกับความคิดบางอย่างความต า, างอ จ, จ ม, มูจกเลื่นกายใจเราพเนจรร้อนกะดึนกระยอนหลงย้อนลงย้นลงยนหล ง, ล ง, ล ง, ลงมันไม่มันก็จะเป็นกลับขึ้นมาแล้วเต็มขึ้นมาแล้วเป็นกันมามีความรู้สึกมีความรู้สึกในลึก มันก็เหม่อลึกหนูกม่ลึกมันเป็นสมุดถัสัพะติรมตโยสมุตามันเป็นสมุดมันเป็นสมุดมันลึกมันอึ้งมันคิดกับคิดอะไรก็ได้คิดเรื่องเก่าอยู่เท่าไรก็ได้คิดเหล่าคิดดีโกรธเหล่าโกรธดีเหมือนเดิมเลยคิดพบคิดคันเลียนไหเกิด อันนี้สติมันก็เต็มเต็มแท้เต็ ม, ารา เ, มเรียบเป็นสินอะไรเรียบเป็นอันนี้สติมันก็ถ้าอุ ป, ปมามันก็จิตของเราอย่างที่มาเพนาผว่าสันตติเกิดขึ้นทันทะเลไหลไปความคิดของคน่สันตติเกิดขึ้นมา อันทะเละก็ไหลไปมันก็นามที่มันไหลอันเก่าไหลไปอันใหม่ไหลามาแทนจิตของเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสติมันก็พี่ถึงตายก็สอบทายโยนลงโยนลงโยนล ง, นลงม่นต้องการ น, นะแต่เต็มไม่เต็มไม่รู้แต่ว่าโยนลงวะโยนลงวะโยนแลย ลูเอาลูเอาลูเอาลูเอามันจะเป็นสันติมันจะเป็นทันทะเลเรื่องของมันเอเที่เราคือลูเอาลู่เอาเมือนกับยมกัสอบตายลงไปในน้ำที่มันไหลเรียกว่าทันทาเนะีนั่นก็อาจจะเห็น <c oughs> มีโอกาสที่จะกั้นเอากั้นเอาไว้เป็นเขื่อนทำให้มน มันต้องไหลอยู่นิน่งเราเรียว่าสมาธิคืเอเฉพาะเราสมาธิเราคือพิ่งกระสอบายลงไปการกําหนดกายเคลื่อนไหวเนี่ยโล้เอารู้เอาพอมันลงมามมากลงมากมากหน้าก็ไม่ไมีโอกาสที่มันไหลก็ ม, มีโอกาสก็หยุดพอมันหยุดมันก็สแสดงถึงความเต็มเตลิดจ อ, อืไป เอ่อเป็นปกติสมถะธาตุขึ้นมาทําให้เกิดเป็นสินเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาจะผิดสินผิดไม่มสมาธิปัญญาล่มแล้วสินล่มแล้วสมาธิล่มแล้ ว, ล ม, ล ว, ม, ล ม, ลวมันก็เงียบลงเงียบ ม, มาเราจะมีการเจริญสติหลายอย่างที่มันมีอันหนึ่งสอง ไม่ต้องไปนั่งสำรวมไม่ต้องไปนั่งหลักตาให้ต้องงนงันมีสติมีสติแอ้วโดยสมมันจะเป็นการสำรวมเองเป็นบริสุทธิธ์สิทธิสำรวมอาญาตนบริสุทธิ์สิ่ธิ์มันจะสำรวมลงเอง ตังหงมกเลี่นายใจมันจะสํารวมนองเองริสุิีุ่มันเป็นสิ่ที่บริสุทธิ์ในปฏิโมตมันจะแยกเลยมาเร่อข้อที่พระเจ้าห้ามทาตามข้อที่พระองค์อนุญาตปัสติก็ไปถงตรงนั้นนะบริสุิ์สุดสิ่งเราสังรวมตังหงมกเลี่นกายใจปัา ม, มีสติทุกทิสติ ยิ่งหลับฟังก็ยังเห็นหูไม่ฟังก็ยังได้ยินยิ่งมีเสียงก็ได้ยินอมันเป็นสัญญาการเก่าที่เคยเล่นที่เคยสนุกนั่งอยู่ในท้องไรเหงมันก็ไม่จงงํารวมหรอกมันเป็นหนี้ปากฏการเป็นความโง่ใช่ไหมแต่ถ้ามีปุถุแล้วมปีปากดการมันจะมีา ก, การเปงแปลงของมัน เราคิดขึ้นมาอะไรกรารู้ทันทีไม่ทําให้ผิดศีล้าไม่เป็นถ้าเป็นไปกับคนคขี้เกียหรือว่าทะลุแล้วด่างแล้วพ่อยแล้วเราคิดขึ้นมาเรารู้สึกมันก็เราป้องกันไม่เสียหายเราสอบ้านสิ่งของไม่เสียหายไม่หนีบ้านเรามีสติกป้อนกันเพราะฉะนั้นวิธีที่เราทําอย่างนี้ มันเป็นเรื่องที่น้าภาคภูมิใจที่สุดชิมโดยดีใส่ใจทำโดยดีไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยอดว่าการเจริญสติรราสา ก, าการปฏิบัติธรรมผมเคยพูดอยู่เสมอว่ามันเป็นมงกุฎของธรรมของสติการปฏิบัติธรรมเรื่องของการเจริญสติเป็นมงกุฎของธรรมการเจริญสติอย่างเดียว อันดีโพธิ์วทวารจะเป็นการรักษาชินเป็นการสรสมาธิเป็นการสร้างปัญญาจะเป็นมักเป็ น, นโลดเป็นกุศลอะไรก็เสมอไม่ผิดเป็นสติไม่ผิดเลยสงสุดของฌานก็คือสติคงเอาไว้ถ้าขสติก็ไม่ได้เป็นฌานที่เสื่อมไปไม่ถึงมักถึงผล เอาตัวเองรอดประจันการเจริญสตินี่แล้วปลพอยใจแล้วพวกเราให้โอกาสสมันคกมากๆทำเอาขานเอาดูเอาอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้อยู่กับใครเราอยู่กับสติไปไหนไม่ไปคนเดียวมีผู้ปองคู่ชีวิตของเราแต่งงานกับสติแต่งงานกับธรรมเป็นคู่ชีวิตเป็นธมะตั้ง เหมือนกับพระพุทธรองผู้ใดมีสติผู้นั้นเหมือนกับอยู่ในถิ่นของวิดาจามีสติก่อนไม่ต้องไปคิดไม่ต้องหลุดหลอมกระดางอื่นใส่ใจลองไปสร้างลองไปแล้วก็เก็บกันยืนยัดรับรองว่าพระพุทธเจ้าไม่หลอกก่อน แต่ไปเชื่อใครต้องเชื่อตัวเองทำดูสัมผัสดูใช้ดูดอจะไปใช้ความหลงอย่าไปใช้ความโกรธอย่าไปใช้ความคิดใช้สติใช้ความรู้สึกตัวไปประกอบไปกำกับกับสิ่งใดได้ทั้งนั้นสติมันโกรธก็ ม, มีสติมันหลงก็มีสติมันทุกข์ก็มีสติ มันรัมันชังมันก็มีสติมันเจ็บดก็มีสติมันหล่นมันหนาวก็มีสติลองดู่เรามันเป็นมงกุฎของธรรมนะเพราะวหนโสดู่ัังกัะพองกันรบกไปปกในสนามในเวทีของ การเพิ่พื้นสมรรถนะการตังคา หยหลายหลายอ่างดูเสียบเทียบเสมืนอนกับการเดินทางมาแวแต่อะไรที่มันหลงมันก็ทำให้เราจระตืนรืนนอรนหาผลขวายที่จะให้พบผลทางแต่คราวดดที่ค้นพบทางไปค่องถูกพิกถูกกลางถูกต้าไม้เป็นเท่นั้น แต่ความหลวงไม่เพีว่าเป็นบทศึกราสาหรับผู้เดินทางแต่เป็นบทเรียนที่ดีด้วยการเดินทางทางจิตเนี่ยเห็นผิดต่างหลังจึงเห็นถูกเห็นความทุกข์ต่าแหลังจึงเห็นความไม่ทุกข์สำหรับผู้มีความภาคเทียนประยางนี่เป็ น, านปาาการปฏิบัติโดยเฉพาะการโครงการพัฒนา ใจนะยิ่งมีคามสลับ็จสักแสนพอสมควรบางทีเรา็สกค้นหาว่ากิจิตจิตมันเป็นอย่างไรความคิดยเป็นอย่างไรความโูกความผิดเป็นอย่างไรอย่าไปค้นหาวิธีที่ดีที่สุดตามที่ขอโทษตาม ตามความรู้สึกโดยเข้าขการปฏิบัติรมการสลาทางกิตก็ยกให้หลวงปู่เทียนในแต้องหอบอะไรยใรยนี่เอาไว้ได้ยินคำพูดหลวงปู่เทียนว่างให้รูปกายเคลื่อนไหวให้เห็นรูปเห็นนาม ให้เห็นลูกทำเห็นนามับเราไม่เคยไม่เคยศึกษาเราจะไปบังคับจิตจะไปเอาอะไรอะไรเยอะแยะจะหมดแล้หวหลอดกูเทียนท่านบอกว่าให้เห็นนีลูกเห็นนามนี่การเสื่อนไหวอยู่นี่การยกมืออยู่นี่มันเป็นลกูกมันเป็นนามอยู่ตรงนี้ไม่เคยเห็น่ากฤษ เห็นกายที่มันเคลื่อนไหว ม, มันเป็นรูปเป็นนามอย่างไรรูปทำนามทำอย่างไรแล้วอาจก็สอนว่ายกมือขึ้นดูสีรูปไหมยกมือขึ้นดูสีลูปไห ม, ม, มวางมือลงดูสีรูปไหมยางมือลงดูสีรูปไหมแล้วก็ตอบว่าลูปรูปเออันนะัอะไรูปนั่นนะลูกแบบดู